يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يشفعون إلا لمن يرتضى. ولا يشفعون إلا لمن يرتضى. خ ش ي ت ه م ش ف ق و ن و م ن يقول منهم ا ن ي و م ن يقول منهم ج ็ ز าจ ז ه ้ห <ت ص في ق> ك จ ا ฮันนัมคดัลิกนาจซิลลอ ا ฺมีคดัลิกนาจซิลลออฺ زمانات والأرض كانت رتقا. <تصفيق> كانت رتقا فانتاكونا هما. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون؟ َ ف ل ا يؤمنون؟ وجعلنا في الأرض ر و ا ِ ي أنتميد بهم. وجعلنا في الأرض ر و ا ِ ي أنتميد بهم. وجعلنا فيها فجاء سُبل سُبل ا ل َّ ه َ و ن َ ل اللَّهُمْ يَكْدُونَ وجعلنا السماء سقفًا محفوظا وجعلنا السماء سقفًا محفوظا ข ي ا ت า ه ิ ا م มูฮ ر ริดุนบิสม ا ل ลาฮิร rahmanir rahim อินนัลฮะมด ل ลลอฮ์นะฮ์ ف ด ه ห์วะนัส ل ้าอินุห์วะนัสตักฟิรุห์วะน้าอูซุบิลอฮ์ฮิม ل นชุรุริอันฟุซินะวะมินไซยะติอัมมัลินะมะยิฮ์ดิลลอฮ์ฟะลา ฟ้ ش ชดว่าหนาโ عبد ุ و ์ س ูลุห ل อัลลอฮ صبحنا ว ب บิ مسينا و ะบ ن ح ي ا و ะบ ن م و ت و ا إ ل ا ي ك ن ن و ر أ ع و ذ ب ك ل م ا ت ا ل ل ه ا ل ت ا م ا ت م ن ش ر م ا خ ل ق ب س م ا ل ل ه ا ل ذ ي ل ا ي د ر ر م ع س م ه ش ا ي و م ف ي ا ل أ ر ض و ل ا ف ي ا ل س م ا ء و ه و ا ل س م ي ع ا ل ع ا ل م ر ض ي ت ب الله ر ب ั وبالإسلام وب د ي ن น uh um ุบิ ح م د ا ل ر ัด ل ร ل สูละัลลัะ م ัญ ل นั و งุษบิักันัลัสัลัวั ب ุอ ي ลัคิบรี ب ับ ا ์ัะงุษบิักันัดับ ن ันั ا ل รีัลั ل ัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลัลััลัลัลัลัลัลัลัลัลัลััลััลัลลัลลัลั การจุบไข้ได้ป่วยเนี่ยมาจากอัลลอ์ะนะแล้วอัลลอฮ์ก็ทดสอบทุกคนเป็นวัดก็เป็นเป็นเป็นการทดสอบจากอัลลอ์นะครับก็ต้องรักษา <c oughs> เ, เรากำลังพูดถึงเรื่องมาลาอิกะขณะนี้กำลังกาลังที่นำอัลกุรอานมาเนี่ยนะ อกุรอานสุราะอัลอัมบียะเนี่ยกลังพูดถึงเรื่องมาลาอิกะนะคุณน้องตั้งแต่อายาที่ยี่สิบว่มาอัลสลนะมิงกอบลิกามิรอซูลินอิลลานูฮีอิลฮิอันนฮูลาอิลาห์อิลลาอันอัฟบุดนีนะครับ วันนี้ยี่สิบหกยี่สิบเ็ดยี่สบแปดยี่สบเก้าสามสิบสาสิบอ็สาสิบสองเนีพูดเรื่องมาละอีก้ามหมดเลยทีนี้ <c oughs> ครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดค้างไว้นิดนึงว่าคนที่ตายทุกคนเนี่ยนะเราในยอมรับนะต้องตายนะไม่มีใครปฏิเสธเลยพยอยาวพอยอมรับว่าตายต้องนึก นึกภาพนึกภาพคนที่อยู่ในในโรงนี่เจ้าของเจ้าของเจ้าของมนุษย์คนที่สร้างมนุษย์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าพอจับใครใส่โลงปับ๊บพอแบกโลงปั๊บเนี่ยจะมีเสียงตะโกนออกมานี่นบีอธิบายนะนบีอธิบายว่าเขาตะโกนเนี่ย ถ้าหากคนแบกได้ยินนะสลบถ้าคนที่แบกลงเนี่ยได้ยินว่าคนที่อยู่ในโลงเนี่ยเขาตะโกนยังไงนะสลบฟังไม่ได้เสียงมันดังมากเลยแต่มันอยู่ในโลงอะ่ะยินแต่มนุษย์ไม่ได้ยิ น, นกษัตริย์พระสิ่งอื่นได้ยินหมดตะโกนว่าไงรู้ไหมตะโกนว่าละถูกกอดดีมูนีอย่าพาฉันไปนะอย่าแบกฉันไปนะ แบกไปไหนอะที่เขารู้ก็คือต้องฝังในฝังไปที่กุโบอย่าแบกฉันไปฝังนะอย่าแบกฉันไปนะและวุูกอดดีมูนีแล้วถูกอดดีมูนีตะโกนสาเหตุที่ตะโกนเพราะอะไรครับที่นบีเล่าให้ฟังก็เพราะว่าความชั่วที่เขาได้ทำเอาไ ว, ว้ยังไม่ได้ถูกลดโทษความชั่วที่ทำไว้ยังไม่ถูกลดโทษเพราะอะไรครับ เพราะว่าคนส่วนใหญ่ตายไม่ได้ตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ไม่ไดตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์มีไหมมีครับคนที่ไม่ตาบ้าตัวต่วออัลลอฮ์แล้วตายเนี่ยนะเขาจะพบกับการลงโทษยังยังไม่ถูกนะแค่เห็นเนี่ยโวอยแล้วเพราะจับใส่ลงปั๊บไม่เห็นเลยครับอลับลอลอฮฺอัลบัดนาอูซบิลละขอมาตอัลลอฮฺอยาให้เป็นอย่งงางนั้นเลยนะ ถามว่าเห็นอะไรครับผมจะเสนอสัก 7-8 ็ดแปข้อนะพวกที่ย่อเย้ยศาสนาอิสลามเขาจะเห็นสิ่งที่อยู่ในนรกทั้งหมดจะต้องถูกลงโทษหัวยังไม่โวยอ่ะอไปหลับไปพกเข้าลงป้าบเห็นหมดเลยเนี่ยถ้ายิงแบกไปแบกไปไปกยิงไปพบกับการลงโทษของอัลลอฮ์สุบฮานะละข้อที่สอง คนที่จับใส่ลงแล้วก็คนที่ไม่เอ า, าศาสนานี่นะเขาจะพบกับความเสียใจระทมใจแล้วก็หน่ายใบหน้านี่คล้ำใบโวยกนะ็ที่สามเขาจะได้ยินคนที่มีเสียงอะไรนะเถียนถอนหายใจเอื่นอยู่ในนรกกอที่สี่เชาวนรกถูกเลาะ เอาหนังออกเนี่ยเอาหนังนี่ออกเห็นภาพทั้งหมดเลยตอนนอนอยู่ในโรงเนะี่ยเห็นหมดแล้วนะข้อที่ห้าไขามันของชาวนรกเนี่ยละลายเพราะความเพราะทนความร้อนไม่ไหวแล้วก็ไม่ตายด้วยเนื้อหนังเนี่ยละลายแล้วก็น้ามันละลายเอาล้อเห็นภาพหมดเลยข้อทหกหนังของชาวนรกนะี่ยนะ พอไหมแล้วก็มีหนังใหม่มาเปลี่ยนอีกแล้วก็ใบหน้าของชาวนารกนี่นะหมองคล้ำแล้วก็เสื้อของชาวนารกนะ่ะทำด้วยไฟนี่เห็นภาพหมดเลยนะครับตอนนอนตอนนอนอยู่ในโรงนะเห็นภาพหมดเลยเพราะ อ, อันนบีสอนอย่างงี้อิรามาตใครที่ตายแล้ว ก, ก็มัตติยามาตุหู วันเตียมานั้นได้เกิดขึ้นกับเขาแล้วมาอยู่ข้างหน้าเขาแล้วอัดลองตายดูสิอัดลองตายดูลองตายดูที่ท่านอบีพูดนะจริงหรือไม่จริงในเรื่องจริงทั้งหมดครับคายพอตายพับประถูกยัดใส่ลงปั๊บนี่นะจะพูดว่าร้ายก็อดดิมูนีแต่ส่วนคนดีนะพูดอีกอย่างเลยนะก็อดดิมูนีพาฉันไปไวาไยวายพาฉันไปไวายวาเข้าเห็นแต่ของดีดีดีดี ด, ด, ดีหมดเลย ก็ขอฝากท่านพี่น้องทำอะไรผิดทุกคนมีความผิดหมดครับคนผิดที่ดีที่สุดก็คือคนผิดที่ตบ้าตัวต่ออัลล์ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ทำความดีเพียงแต่ตบ้าตัวนะฉันขอสารภาพผิดต่ออัลลอ์แค่นี้แหละแล้วก็ตายก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้สารภาพผิดต่ออัลลอ์เลย นะครับก่อให้เราเริ่มนะเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะตายเมื่อไหรเพราะวันนี้มีมายดเนี่ยนี่ขณะนี้มีก็เราจะเอามาผิดมาปฏิบัติมัสดิษ น, นะครับเอาวันนี้พูดเรื่องมาลาอิกาอย่าลืมนะมาลาอิกาถ้าทำผิดอลัลลอฮ์ก็เล่นงานเหมือนกันอลัลลอฮ์ลงโทษแล้วเราจะเหลือนะ่ะ เราเนี่ยจะเหลือหรือแต่เราไม่ไม่เอาศาสนานะครับไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เอากิตาบุลลัดและสุนาานะทันดารีมากำกับชีวิตชีวิตเรา ม, มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยนะเอามาดูคุณอ่านอายาที่ยี่สิบหก وقالت خذ الرحمن ولا سبحانه بالعباد مكرمون وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه ب ل ع ب ا د مكرمون อะลฮัม ل ุลลอฮฺนกรอันพี่น้องจ้องไปที่ตัวอักมอ่านนะ และพวกเขาชาวอาหรับผู้งม ง, งายคืออาหรับยาฮิลียาไอ้ตัศน์ศษอธิบายอย่างนั้นนะครับในกุณอ่านไม่มีว่าก็รู้พวกเขาทั้งหลายกล่าวใครกล่าวครับก็คือคนอาหรับผู้งม ง, งายคําว่างม ง, งายมายถึงยาฮิลียาคนที่ยังไม่รู้จักอิสลามเนี่ยกล่าวว่ากล่าวว่าไงครับอ้ใครที่กล่าวพวกเขาเชื่อ ไอ้นคนที่กล่าวแบบนี้พราะเขาเชื่อถึงได้พูดพูดว่าไงครับอิตตะคอซัลลอฮ์มานวาเลเดพระผู้พระผู้ทรงปราณีอัลลอฮ์มานี่เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์จะเรียกว่าอัลลอฮ์ไม่เรียกเรียกว่าอัลลอฮ์มาน่าเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระผู้ทรงกรุณาปราณีอิตตะคอซาแปลว่าได้ทรงเอา เอาอะไรไหมเอามาลายิกะเป็นเป็นลูกเป็นโอรสเป็นบุตรคนอาหรับนะครับอาหรับยาฮิลียาอาหรับก่อนที่อิสลามจะมาเนี่ยเขาเชื่อแล้วก็พูดว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเอามาลายิกะมาเป็นลูกเอามาลายิกะมาเป็นลูกเพราะเขาเชื่อแบบนี้ไงพราะเขาเชื่อพี่เขาก็พูดแบบนี้เพรพูดอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังอนะไร เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังให้พวกเราฟังวันนี้ว่าคนที่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีลูกนี่ถามอัลลอฮ์พอใจหรือไม่พอใจเราพอใจไหมอัลลอฮ์ไม่พอใจนะไม่เหมือนมาแวมาแวพอใจฉันมีลูกยี่สิบเอ็ดคนภรรยาสี่ใช่ไหมทุกคนพอใจหมดเอาถามว่าอัลลอฮ์น่ ะ, นะมีมีลูกอัลลอฮ์พอใจไหมอัลลอฮ์ไม่พอใจแต่คนอื่นพอใจหมดฉันมีลูก ยี่สบคนอัลลอฮ์อ้าวมีอยู่คนหนึ่งใครอัลลอฮบานอบีมีลูก8ปดสิบคนผมเริ่มชื่อไปแล้วเดินลูกสาวสองคนเขาพอใจนะภรรยากี่คนก็ไม่ได้นับนับลูกอย่างเดียวกี่คนกี่คนก็าพอใจแต่อลัลลอ์เนี่ยไม่ได้นะใครจะว่าอาลัลลอฮ์มีลูกเยอะไม่ได้ลบกรด อามนุษย์เนี่ยดีใจภูมิใจว่าตัวเองมีความสามารถสร้างลูกได้แ0ดสิบคนประทับดูริเลยแต่อัลลอ์พูดอย่างนี้ไม่ได้อัลลอ์โกรธจะนั้นเนียเราเข้าใจง่ายๆเลยว่าใครที่พูดว่าอัลลอฮ์มีลูกหรือว่าอัลลอ์เอามาลายกามาเป็นลูกนี่นะซุบะฮานะหูมหบริสุ์ยิ่งแด่อัลลอม์การปฏิเสธเลยนะ อัลลอฮ์ไม่มีลูกอัลลอฮ์ไม่มีภรรยาอัลลอฮ์ไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีลูกสาวลูกชายไม่มีลูกสาวไม่มีแล้วก็ภรรยาก็ไม่มีสุบฮานะแปลว่ามหาบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยิ่งไม่มีเมียไม่มีลูกแล้วไม่มีภรรยาบาลไลบาดุมุครามูนนี่พูดถึงมาลายกาเนะมลายกาเป็นเบาแบบไหนครับอิบาดุลเป็นเบาเหมือนเรานี่แหละ นะครับแต่เป็นอีเบาเบาแบบไหนครับมุกโครอมนเป็นเบาผู้มีเกียรติอัลฮัมดุลิลลเป็นเบาผู้มีเกียรติ <c oughs> มรัยกาถ้าเราเห็นมาัยกาเราก็กลัวอัลลอนบีเองยังไม่เห็นมาัยกาเลยนานๆจจเห็นทีนึง <c oughs> <c oughs> นบีเคยถาม ท่านยิบรีมบอกิบรีมเนี่ยที่ลงมาเนี่ยเป็นเป็นรูปคนเนี่ยมานั่งคุยคุยกันเนี่ยอยากเห็นภาพจริงๆของท่านนะเป็นยังไงไอ้ที่มานะแปลงมานะมานั่งคุยกับท่านนะบีซอ บ, บาเห็นหมดเช่นใส่เสื้อสีขาวเดินเข้ามาผมดําเมี่ยมไม่มีร่อง ร, อ, งรอย้งการเดินทางนี่อะไรากันนะผมสังเกตนะผมอ่านฮะดิหลายเที่ยวนะไม่มีพระสารบานภู แล้วก็ไม่มีมวกใสเอ๊ะมริกาข้างหนาใหม่เนี่ยพูดไปนึกนึกของผมเรื่อยๆนะมะรกามันจะพกสาบานมามันจะใส่มุกมาด้วยใช่ไหมแล้วก็แต่งตัวสะอาดไม่มีร่องรอยของการเดินทางแล้วก็เดินเข้ามามานั่งกับท่านนบีชาบ้บานไม่รู้เมื่อเป็นคนแต่นบีรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครถามทุกเรื่อง พอถามบอกว่าเมื่อไหร่จะถึงวันเกียร์มนะัดทำนาบีน บ, บีว่าคนถามนาะรู้ดีกว่าคนถูกถามเอ๊ะซอบ้างงงใหญ่เลยอะไรกันเนี่ยคนถามนาะรู้ดีกว่าคนถูกถามหลังจากก็ถามต่อไปอีกอ่าไม่รู้วันเกียร์มัดจะเกิดวันที่เท่าไหร่บางมับอกบอกเครื่องหมายก่อนแล้วกันอลอนา บ, บีกอธิบายหนึ่งสองสามสี่อธิบาย นี่อ่มาลาอิกาครับพี่ น, น้องมาลาอิกานั้นเป็นเบาอะไรนะไอบาดุมมุโครมูนเป็นเบาที่ผู้มีเกียรติอัลลอฮฺอัลลอฮเป็นเบาผู้มีเกียรติเอามาดูหน้าที่ของมาลาอิกามีอะไรบ้างผมเอาจกากคุณอ่านทั้งหมดนะมาลาอิกามีหน้าที่ทําอะไรบ้างดูได้ครับพีุ่ณอ่านนะข้อที่หนึ่งมาลาอิกาเนี่ยเป็นผู้นำวาฮี จากอัลลอฮ์มาให้กับนบีทุกคนยิบรีนะเป็นซูเปอร์ิกานะบริกาที่ดีที่สุดนะซเปอร์ิกนะพูภาษาบรรเานี่นะเป็นผู้นาเอาวาฮีจากจากอัลลอ์เนี่ยมาให้กับบรรดานาบีทั้งหมดคำว่ายิบรีนเนี่ยนะท่านอคริมะอ้คมานี่เป็น ผู้บรรยายทัซีสกุรานอธิบายว่ายิบยิบเนี่ยเป็นภาษานั้นยิบแปลว่าเบาแล้วก็รีนรีนเนี่ยแปลว่าพระผู้พระผู้เป็นเจ้าอินยิบยิบรีนหรือยิบรออินเนี่ยแปลว่าเบาวของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะยิบรออินหรือยิบรีนเนี่ยเป็นภาษาฮิบรูนะครับแล้วต่อมาครับยิบรีนเนี่ย ยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ารู้ฮุลอามีนผู้มั่นต่อหน้าที่และอีกคำหนึ่งรู้ฮุลกูดุสถ่านไปเจอนะรูฮุลกูดุสรูฮุลอามีนนี่แหละเป็นชื่อของมลายิกานะรู้ฮุลกูดุสแปลว่ารู้ว่าผู้บริสุทธิ์รู้นแปลว่าวิญญาณแต่ที่นี้แปลว่ามาลายิกานะท่านยิบรีนอะลาฮิสลาบมลายิกามีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่ง มาสนับสนุนนะครับสนับสนุนมาดนใจมาสนับสนุนนอกจากนาบีแล้วคนซนและทั้งหลายเนี่ยคนดีๆทั้งหลายที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้ที่นมาศสะอาดที่อ่านอัลกุรอานนะครับที่รักษาสุนนะท่านนาบีแล้วก็เรียนสุนนะท่านนาบีแล้วก็เรียนกุรอานเนี่ยนะเวลาคนซนและมีทุก อัลลอฮฺจะส่งมลายิกาเจ้านี้ยมาได้นะมาปลอบใจเขาอัลลอฮฺอัลลอฮเมื่ออัลลอฮฺจะทดสอบคนซอนแล้วให้มีพบกับความลําบากเนี่ยมลายิกาจะมาได้นะสนับสนุนและปลอบใจเราไม่รู้ตัวหรอกแต่สวุขใจเรามันดีมันชื่นขึ้นใจเราแข็งขึ้นใจเราดีขึ้นแสดงว่าใครให้มานะนั่นละการสนับสนุนปลก ป, ปอบใจของมล า, ายิกาเห็นยังพี่น้อง มาอะไรการนี่มาสนับสนุนมาปลอบใจคนดีๆคนซอลแล่น่ะส่วนนบีเนี่ยเขามานั่งคุยกันเลยแ่ะอ่าให้ทํางานให้ทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นแต่เราเนี่ยเอาล่อไม่ส่งลงมาหรอกแค่นี้ก็มาปลอบใจคนซอลแล่ น, นั่นเองหลังทำดูดีแลถึงมีคําถามถามว่าเนี่ยยังในสมัยท่านนาบีมีผู้หญิงอยู่คนชื่อฟาติมาเบนเตส มีผู้ชายมาชอบสามคนยกตัวอย่างแบบนี้จําง่ายดีมีผู้มีผู้ชายมาชอบสามคน <c oughs> นางก็เลือกไม่เลือกไม่ถูกว่าจะเอาคนไหนอะ่ะคนนี้คน น, ค น, นี้ก็เป็นซอบ้านนบีทั้งหมดนั่นแหละตัดสินใจไปหาท่านนาบีพอไปหาท่านนาบีบอกว่ามีอยู่สามคนดีอยู่คนเดียวอยู่สองคนอย่าไปเอามาดีอยู่ทั้งหมดแจะมีอยู่สามคน คนแรกนะคุณอย่เอานะผมยไม่เออผมจำชื่อไม่ได้คนเนี้ลามาลาราหูเงินทองทรัพย์สมบัติไม่ไม่มีละ จ, จิตตัวเลยแต่งงานกับเธอเธอคนลําบากผมไปหาเลี้ยงผัวอีกคนที่สองเนี่ยตบตีภรายาเก่งนะบีจะไปแต่งแต่งคนเนี้ยมีอยู่คนหนึ่งคูณชายคนนี้เป็นคนดีเป็นคนซอนแรคนซอนแรนนะบีอธิบายไงรู้ไหม เวลาเขาเขารักเธอเนะี่ยเขาจะยกย่องให้เกียรติเธอพาเธอไปนู่นมานี่มานี่มานั่นและพูดจาก็ดีแต่เวลาเขาโมโหเขาไม่ทําร้ายเธอนี่ยันดบีชมคนซอลเเละถึงน้องใครอยากเป็นคนซอลเเละเอาอันนี้ไปใช้นะเวลาไม่พอใจเมียไม่ไดนะ้ไม่ดามีไม่ดาาภรรยาเนี่คนซอลเเละนะคนดีนะแล้วก็เวลาเวลาถูกใจเนี่ยร อ, อซื้อทองให้พาไปทำอุ้มระอง พ า, พาไปนู่นพาไปนี่ดีหมดเลยนั่นคือคนซอนแล้วอีสองคนอย่าไปแต่งทีนี้วันนี้เนะี่ยเราไม่มีนบีเราจะปรึกษาใครอะ่ะใช่ไหมไวิธีก็มีคนหนึ่งให้นามาสขอดูอาต่อรเพราะนมาสขาอดูอาตอรอปั๊บเนี่ยไม่ใช่นามารครั้งเดียวนะต้องนามารบ่อยๆเรื่อยๆสักห้าวันหกวันเจ็ดวันอลัลลอฮฺจะผู้หญิงก็ได้นะมีผู้ชายมาชอบ่าตั้งห้าคนน่ะ จะเอาใครดีใช่ไหมสมัยนบีนะีฟาติมาไปหานาบีนบีชื่ออะไรปับปบปบัจบสมัยนี้ขออุญาตอย่าอัลลอฮฺจะส่งอะไรก้ามาโดนใจเรามาปลอบใจเอาคนนี้เอาคนนี้แต่ผู้หญิงบางคนใจร้อนจับฉลากเขียนชื่อผูชายห้าคนลวงไปทิงเจอคนนี้เอาลุงอีกทิงเจออีกว่ามีผู้หญิงบางคนโทรศัพท์มาเล่าผมฟังเรื่องนี้แหละ ว่าแล้วเธอทำไงผมเขียนชื่อใส่ไปเลยห้าคนแล้วก็เอามือล่วงลวงสองทีก็เจอตัวสองทีไอคนนี้แหละผมบอกไม่ใช่กันไม่ใช่อันนั้นมันนบีเอาชื่อออกมาล่วงจับฉลากนาบีเวลานาบีจะเดินทางไปทำไรนะไปทำไปทาสงครามแล้วพาภรรยาพาพาใครไปนบีทำแบบนั้นแต่ เ, เรื่องนี้จะอยู่กันตลอดไปเนี่ย มันก็ต้องช้าขอทูอ้าต่ออ่อนล้อเดี๋ยวอ่อนล้อจะส่งมาไิกามาปลอบใจและมาดนใจเองนี่วิธีวิธีวิธีได้นะวิธีขอทูอ้าต่ออ่อนล้อนะครับมาไลกะาทํา <c oughs> ทหน้าที่มาแจ้งข่าวดีนะมาไิกาไม่มีความคิดอิสระเอาเห็นยังครับมาไลกากับมนุษย์ไม่เหมือนกันมนุษย์มีความคิดอิสระก็เรียกว่าฟรีทิงกิอิสระ แต่มาเลย์ก็ไม่มีความคิดอิสระแบบมนุษย์อรอหัวบันนี่อนะ่ะข้อแตกต่างแต่เมื่อเรามีความคิดอิสระแล้วนะที่น้องต้องนึกนะต้องอยู่ในกรอบของอิสลามเมื่ออัลลอฮ์ให้ความคิดอิสระแล้วจะคิดอะไรก็ได้นะ่ะถ้าคิดดีได้ผลเรบุญถ้าคิดชั่วได้บาปไหมแน่นอนที่สุดอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้กราบให้กรอบไปแล้วนะ่ะจากนั้นพยายามเรียนกุณอ่านเยอะๆอ่านคุณอ่าน มันจะได้คิดเหมือนที่อัลลอฮ์วางกรอบเอาไว้แล้วก็เรียนสุนัขนบีเยอะๆจะได้คิดเหมือนเหมือนสุนัขนบีอ่ะแล้วก็เรียนประวัติของซอา บ, าบ้านนบีแต่ละคนแต่ละคเขาทําอะไรบ้างความคิดของเขาเนี่ยให้คิดเหมือนนบีให้คิดเหมือนคุรานให้คิดเหมือนสุ น, นัขนบีไปน้องอัลลอฮ์ให้ความคิดอิสลามก็จริงแต่เราต้องคิดในกรอบของอิสลามนะครับ เอาต่อมาครับมารัยกานี่มาเก็บวิญญาณมนุษย์อ๋อนี่หน้าที่นะหน้าที่ของมาัยการเนี่ยมาเก็บวิญญาณมนุษย์ตอนมนุษย์จะตายถามว่าสัตว์กับคนเนี่ยมาัยกะมาเก็บวิญญาณหรือเปล่ามนุษย์แน่นอนมาัยการมาเก็บและสัตว์เหรออ่าเก็บหรือไม่เก็บอุมาอธิบายว่าบางคนบอกว่าไม่เก็บองเอง แต่สำหรับคนเนี่ยเอาล้อให้เกียรติมากนะให้มาริกามาเอาวิญญาณออกอัลลอฮุอะบดายิ่งใหญ่มากครับเรานี่มีมาริกามาเก็บวิญญาณเพราะฉะนั้นไม่ต้องส่งรั้วต้องส่งไหมก็มาริกามาเก็บไปแล้วจะต้องส่งไปทําไมละรั้วน่ะพอส่งรั้วปั๊มีปัญหาแสดงว่าอัลลอฮฺเนี่ยมันจะส่งมาริกามาเก็บเลยต้องส่งรั้ววิธีส่งรั้วถึงต้องรู้ใช่ไหมส่งแบบน่าผมไม่รู้จะเคยเห็น จากน้นสมรว้อิสลามมีไหมไม่มีเพราะมลิกะมาเอาวิญญาณของคนซอนและไปอยู่กับอลัลลอฮ์เลยในที่ที่สะอาดบริสุทธิ์อ้าสังเกตง่ายๆถามว่านบีที่ตายไปแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่บนชันฟ้านบีอาดัมอยู่ชั้นเท่าไรอา้าวนบีอิบรอฮิมอยู่ชั้นสุดท้ายเลยนะรองลงมานบีมูซา่าใช่ไหม ตอนที่วันที่นบีขึ้นเมีอรอแต่ไปพบนบีทั้งหมดอยู่ตรงนู้นพบยังไงวันลอว่าแลมแต่ว่นานบีแต่ละคนชั้นฟาชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สมอยู่ลำดับไม่เท่ากันเพราะนาบีตําแหน่งไม่เท่ากันบางคนทํางานหนักเยอะอย่างนาบีอิบราฮิมถูกเยอะไหมถูกเยอะมากถูกโยนใส่ไฟนะ่าเบาน่ะแล้วก็รอดสั่งให้ไฟเย็นนะ่ะแต่อยู่ตําแหน่งสูงสุดเดอัลฮัมดุลิเลาห์ฉะนั้นความคิดอิสราอัลลอฮ์ให้ แต่มะลายิกะเป็นไงครับไม่มีความคิดอิสระอัลลอฮฺสั่งอะไรปฏิบัติตามนั้นฉะนั้นเรากับมะลายิกะใครดีกว่ากันเราที่มานมาซุบโบที่มาซิลวะเนี่ยมากันเยอะเนี่ยเรากับมะลายิกะใครดีกว่ากันสรุปแล้วมนุษย์ดีกว่าอเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์จะทําความดีได้ต้องเหยียบอารมณ์กี่อารมณ์ อ, อยจางนี้ยิ่งมาสบายอย่างนี้อยากยากขึ้นนะไหมได้ยินเสียงอาสารอยากขึ้นไหมไม่อยากอยากนอนไหมยอยากใช่ไหมต้องเยียบอารมณ์นอนอลัลลอฮฺกว่าจะขึ้นได้เนี่ยแค่นี้ยังพอหวยยังพูนี้นั่งขับรถมาเนี่ยเป็นยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงอาบน้ําอัลลอฮฺถ้ามียูน ต, ต้องอาบน้ําก่อนแปรงฟันก่อนใส่เสื้อก่อนอลัลลอฮฺสตาร์ทรถอีกกี่อารมณ์ พอเราเยียบอารมณ์ปับเพื่อจะทําความดีกับอัลลอฮ์นี่แหละเป็นรางวัลที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับสวยมื่อไก็ไม่ต้องคอนโทรลอยอะไรเลยพี่น้องส้วมกาไม่มีบ้านก็นไม่มีเมียก็ไม่มีลูกไม่มีอาหารไม่มีห้องน้าไม่มีไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยแค่นั้นทําตามคําสั่งของอัลลอฮ์อย่างเดียว ฉะนั้นอา مان ที่ซ้อนลรกสําหรับมนุษย์ยังมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากครับเพราะเรามีอารมณ์และควบคุมอารมณ์อัลลอฮ์คนที่ควบคุมอารมณ์เป็น้องครับอัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติมากเลยอ้งขอยกตัวอย่างนาบีควบคุมอารมณ์เคนเล่าให้ฟังหลายเที่ยวเลยนะเพื่อความทรงจําจะได้เป็นแบบในการอะไรนะความคิดอิสระก็จริงแต่ให้คิดแบบนบี น บ, บีไปเผยแผ่ไม่ใช่สิเดินออกเช้าๆเนี่ยไปชอปปิง้งไปทำอะไรนะไปจ่ายตลาดและผู้หญิงเนี่ยในอาดับยายะเนี่ยไม่เบานะเก็บขยะบนบ้านใช่ไหมนะ่ะพอน บ, บีเดินมาเอาขยะนี่นะโนยนใส่ศีรษะนบีแล้วน บ, บีทำไงกระปอารมณ์โกรธ ไ, ไหมไมแน่นอนอนะ่ะแล้วใครบ้างที่ถูกรังแกแบบนี้เราจะจะไม่โกรธนนะ่ะ แต่นบีซอบัดอดทนเนี่ยเขาเรียกว่าเยียบอารมณ์ครั้งที่หนึ่งถูกไม่ว่าครั้งที่สองถูกไม่บนครั้งที่สมถูกพอครั้งที่สี่ไม่ถูกนบีงงไปไหนก็ถามถามถามสุดท้ายว่ารู้ว่าไม่สบายก็ขึ้นแบบอิสลามมาขึ้นไปเยี่ยมเ้านะอัสลามาเลยกุมอกลว่ามาถึงปั๊บไปนั่งคุยไม่กี่คาผู้หญิงรอง้องไห้อาชัดวนเลยอยู่เลยันรอรับอิสลามนี่ไง การควบคุมอารมณ์พี่น้องความคิดอิสระก็จริงแต่ถ้าจะควบคุมอารมณ์เหมือนนบีอัลฮัมดูลินละอีกเรื่องหนึ่งไซนาอัลีไปทําสงครามกลับมาก็มานอนอยู่โคนต้นไม้เห็นอย่างกขักเขานอนพักผ่อนกันที่โคนต้นไม้เราเนี่ยนอนพักผ่อนในห้องแอร์ใช่หรือไม่ใช่เปิดพัดลมอย่างดีเลยแต่บรรดาซาบานบี อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์อยู่ใกล้ชิดกับนบีนอนพักผ่อนอยู่โคนต้นไม้ต่างกันเยอะชีวิตกำลังนอนนอนอยู่เอาดาบแขวนไว้แล้วก็ศัตรูของอิสลามวันนั้นมีอยู่ห้ากลุ่มวันนี้ก็ห้ากลุ่มเหมือนกันนั่นแหละกาเฟตมุชริกมุนาฟิกยะฮูดีนัสลอร์ีเล่นงานท่านนาบีวันนี้ก็ยังมือมี5ห้ากลุ่มหกกลุ่มเหมือนเดิมเอาดาบที่แขวนอยู่เนี่ย มาจออ่อคอไซนาลีกําลังหลับอยู่ถามว่าไม่ย่านาโอกามินนีถ้าฉันจะฟันคุณนใครห้ามฉันไซนาลีตื่นมาบอกว่าอัลลอฮ์เพราะว่าอัลลอฮ์ห้ามมืดาบนีร่วงนี่อัลลอฮ์คอนโทรลใช่ไหมไซนาลีก็เอาดาบมาว้านแล้วก็จ่อคอเหมือนเดิมเนี่ยถามว่าไม่ย่ำนาอุกามินนีถ้าฉันจะฟันคุณใครห้ามฉันผู้ชายคนนี้มันต่อไปได้มันก็ถมน้ําลายใส่ไซนาลีอวก โกรธไม้มนี่อารมณ์อิสรนะน่ะโกรธแต่มรรคกาไม่โกรธคนต้องโกรธเพราะโกรธศาสนาดีเอาดาบวางคุมกลับบ้านได้ฝันสิฝันเลยตอบไงรู้ไหมคำตอบนี่ไงคนที่ฟังศาสนาเยอะๆวมลแรกเขาตอบเขาตอบดีมากนะถ้าฉันฝันคุณตอนนี้ให้คุณตายสะใจอย่างเดียวแต่ผละบุญของฉันไม่มีเพราะว่า ที่ฉันฟันคุณฟันคุณเพราะเพราะคุณถมน้ำลายใส่หน้าฉันนั้นคุณกลับไปเลยกลับไปไอคนที่ถูกให้กลับไปเนไปเครียดต่ออีกเป็นเดือนน่ะเอ๊ะทาไมไม่ฟันกูอะมันเอาความรู้นี่มาจากไหนมันสามารถคอนโทรลอารมณ์ได้มันคนอะไรเนี่ยก็ค่อยๆรู้ค่อย ๆ, ๆฟังค่อยฟั ง, ฟงรับอิสลามตอนหลังนัอมบาริ๊ัลฮมดุลิลลาห์นี่ไงไอไม่ ไ, งไงปนองทั้งหลาย ดนั้นถ้าเราเป็นมุสลิมบุคคลตัวอย่างนะครับที่เราไม่เหมือนมาลาอิกะเพราะอัลลอ์ให้มีฟรีทิงกิ้งนี่นะพี่น้องถ้าเราทำอะไรตามสุนนะานาบีนะถึงจะฟรีทิงกิ้งกันนะคิดอิสระนี่แหละจะทำตามนาบีคิดตามนาบีคุมวบคุมอารมณ์เหมือนนบีเหมอ Al ือนซาบานบีอัลฮะมดุลิละสบายใจของเราไหมเอาเป็นของเราราคำว่าลาตุกอดีมูนีก็ไม่มี มีว่าก็ดิโมนีรีบฉันพาไวไวไปเถอะ ไ, อไปฝังที่กูโบจะได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุภาณอุบวาตาแล้วไปลองครับนี่ไงนะครับกูอานอายา น, นี้สอนเราสอนใจเราเยอะนะกว่าลุตัดคอจะรอมานูวลาดาและพวกเขาชาวอาหรับผู้งมงาย jahiliya c l ่า a k i t t a koza r o ะห a n u wadada พระผู้ทรงกรุณาปราณีได้ทรงเอามาลาอิกะนะครับเป็นอะไรนะเป็นโอรสคือเป็นงี้พวกคริสเตียนนาาี่ยนาโซโรเนี่ยเอานาบีอีสาเป็นอะไรเป็นลูกอัลลอฮ์คนยัคูดีเอาท่านอุเซสเป็นลูกอัลลอฮ์คนอาหรับอาหรับญาฮิลยิยานีมีความเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเอานำมาลาอิกะมาเป็นลูกสาว คนที่คิดแบบนี้อัลลอฮ์ตอบนะครัไม่ใช่ฉันไม่เอาใครเป็นลูกทั้งหมดเลยนะครับน บ, บีอิซราก็ไม่ใช่ลูกฉันนะครับเป็นไรนะเป็นรอซูลและเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นลูกอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตัลละเป็นการโต้อตอบนะครับเป็นการประกาศลบล้างความเชื่อของชาวอาหรับกลุ่มนั้นแล้วก็กลุ่มที่เป็นยะฮูดีนสอสโรณีทั้งหมดนะครับนี่กุรานอายาณีเป็น ทำลายอักีดาความเชื่อของมนุษย์ทั้งหมดนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับพี่ น, น้องมล า, ายิกาเนี่ยดูแลสวนสวรรค์แล้วก็มีใบหน้ามี ม, ม, ม, มีมีหน้าที่ต้อนรับผู้เข้าสวรรค์ให้มล า, ายิกาทั้งหมดนะมาจากอัลลอฮ์นะานะมาจากอัลลอฮ์นันะ่นแหละอลัลลอฮ์สั่งเป็นผู้ดูแลนะรกด้วยแล้วก็มีร่างกายเนี่ยกำยำแข็งแรงมล า, ายิกานะ รู้เปล่าเมืองเมืองเืองเดซีอ่ะเมืองเดซีน่ออะอยู่ที่จอร์แดนใช่ไหมไปน้องไปไปไปดูยังนั่นน่ะในตัฟซิดอธิบายว่าอัลลอฮ์ส่งมาริกามาองค์เดียวนะมาจับเมืองเดซีน่ะให้พลิกควมและคนตายเป็นล้ลานๆคนนะ่ะกระแทกกระทิงยกขึ้นละพริกความเนี่ยชายมารลิกาองค์เดียว อย่างพวกเรานั่งอยู่เนี่ยอลอชายนิ้วครึ่งครึ่งมาเลก้านั้ น, น, นะละก็เรียบร้อยนี่จะนั่งอยู่มัสยิเดเองเป็นดวงเนี่ยจะทําลายเนี่ยโซนามีอุมาเิกาองค์เดียวอัลลอฮฺกล่ากับว่ า, าจะนั่งเป็นน้องกัมยาอย่าดูถูกเบาวของอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นมาเละก้ามีความคิดอิสระก็จริงแต่ไม่มีทำอะทำอะไรโดยอิสระความคิดของตัวเองฟังอัลลอฮฺตาอัลาอย่างเดียวนะครับ อัตมาบอาพระยาที่ยีสิบเจ็ดลายาสบิคุน ahu بالقول وهم بأمره يعملون لا ي س ب ق و ن a بالقول وهم بأمره يعملون อัลลอฮอบา์ของมาลายกะนี่อัลลอ์ดีมากๆเลยกุรานเล่านะอัลลอ์เล่าเองเพื่อให้มนุษย์อ่านและใช้ปัญญาลาอยเกูนูบิลกาลพวกเขามาลายกะไม่ชิงกล่าวคำพูดใดๆก่อนที่พระองค์จะตัดจะพูดก่อนอัลลอ์สั่งไม่ได้นี่ไงอัลลอ์เล่านะ มลายิกาเนี่ยนะจะไม่พูดก่อนอัลลอ์สัง่งอ่าจะไม่พูดก่อนอัลลอ์สัง่งยังพวกเราเนี่ยพูดก่อนอัลลอ์สัง่งเต็มเลยใช่หรือไม่ใช่มนุษย์นะ่ะแล้วก็ทำก่อนอัลลอ์สัง่งทั้งหมดนะ่ะยังรงวิญญาณเนี่ย อ, อัลลอฮ์ออสัง่งตรงไหนอ่ะอัลลอ์วะกบทรงวิญญาณนะทรงรู้นะอัลล์ใครอัลลอฮ์สั่งตรงไหน เราพยายามเปิดกูอ่านดูไม่เจอสักอายะหนึ่งฮะดิษเก๊กเกก็ไม่มีอ๋อแลอวกูว่ฉะนั้นมาราัยกาเนี่นะเอามาราัยกามาเทียบตัวเราบ้างอ๋อรอมาัยกาไม่ไม่พูดก่อนที่อัลลอฮ์จะสั่งให้พูดเวลาอัลลอฮ์สั่งอะไรก็พูดแค่นั้นแหละวันที่นบียิบรีนพานาบีไปอะัลลอฮ์สั่งให้ไปหยุดแค่ต้นอินทรพลามไอต้นตนั้นต้นไหนนะ เป็าหยุดตรงนี้ยิบเรีว่าถ้าหาจะไปดินนะ้ำไม่อะปีฉันไม่เลยอ่ะฉันหยุดแค่นี้แหละไม่มีสิทธิ์ไปแล้วมันเลยกล้ากลัวกลัวล้อลอ่ะล้ออักบะฉะนั้นเราวันนี้ต้องนึกนะพี่น้องนะคําพูดของเราแต่ละคําที่ออกไปนั้นพี่น้องต้องนึกเพราะมีผู้บันทึกนะ มีผู้บันทึกก็คืออัลลอฮ์ให้มาเลกามาบันทึกงานฉะนั้นอย่าพูดอะไรเกินคําสั่งอัลลอฮ์อย่าพูดอะไรที่มันเป็นทําให้คู่คําห้เราเองถูกถู ก, ถ, กถูกลงโทษจากอัลลอฮ์นะถูกลงโทษแล้วเพราะพูดเพราะคําพูดนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ให้เกียรติมนุษย์ขนาดไหนนะเรสเปกให้เกียรติมากเลยนะทุกคําพูดของมนุษย์มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่ถ้าพูดผิดแล้วมีรางวัลก็มีโทษมีโทษนะครับ เอาต่อมาครับว่าหุมบิอัมริฮิามาลูและพวกเขาปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอส์ทรงใช้คือพระบัญชาของพระองค์อัลลอฮฺอันี่ถ้าเราเอาศิลปะของมาเลกานี่มาไว้ในตัวเรานะแต่เราสวญายกัลหลมดุลิลลัลนมาตามสุนนะงบีสุโบนี่กีเรากระอัตก็สองเรากระอัตนะ ก่อนนะ่ะมาโซโบมีสองแล้วก็ทำแค่นี้แล้วย่าไปทำเกินไอ้ที่ทำเกินนะ่ะพูดเกินอย่างสงร้วเนี่ยอย่าไปยามานิดหนึ่งนะสงรัวเนี่ยไม่ใช่งานของของอัลลอ์มันเป็นงานของประเพณีปฏิบัติที่เราทำกันมานานแล้วประจำหมู่บ้านใช่ไหมไทยมาจากยุทธยาใช่ไหมที่ทำได้หรือเปล่าสงรัวตำบลตาบลไม่กระทำมาของเคตเพิ่ ง, เ พ, งเพิ่งเลิกมา30มสปีนี่เอง ฮะอัลลอฮฺกบและอย่างเฝ้าเฝ้าเฝ้ากูโบก็เหมือนกันเฝ้ากูโบนี่ไม่มีุน้าบีอัลลอฮฺผมก็อยากจะเฝ้าเหมือนกันได้ตังค์อ่ะหมื่นสองหมื่นะใช่ไมไม่เอาอ่ะสรุปแล้วนะอัลลอฮฺถามว่าท่านยินขอริยาตายก่อนหน้านาบีใช่มน้าบีจ้างใครไปเฝ้ากูโบบ้างอยากจะเห็นภาพแบบนี้มันไม่มีเนี่ยถ้ามีอยากจะทำอัลลอฮฺกบนะครับ สังเกตนะงานศาสนานี่ไม่ไม่ต้องจ้างงานศาสนาทั้งหมดนี่ไม่ต้องจ้างนะอลัลลอฮ์ให้เลยทําแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มาลาอิกะไม่ใช่เป็นโอรสไม่ใช่เป็นลูกของอลัลลอฮ์แต่เป็นเบ่าวผู้มีเกียรติไม่ใช่เป็นเบ่าวธรรมดานะเป็นเบ่าวที่ทรงมีเกียรติมากและอยู่ใกล้ชิดกับอลัลลอฮ์มากและเป็นเบ่าวที่เชื่อฟังอลัลลอฮ์มากที่สุด มาลายกาเนี่นนไม่กล้าขยับริมฝีปากตาบใดที่คำสั่งของอัลลอยังไม่ออกมาไม่กล้าขยับครับปีกก็ขยับไม่ได้อะจะไปอ่ะถ้าอาลัลลอไม่สั่งไม่กล้าขยับปีกตัวเองอะนะครับต่อมาอายที่2ี่นะครับยะละมุมาไบนไอดีหิมบะมาคลฟะฮม ولا يشفعون إلا لمن ارتبى، وهم من خشيتهم ش ف ق و ن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتبى. S <S <an> วะฮุมมินขัชยะติหิมุชฟิกูนอลละหุอัคบัตยิ่งใหญ่ครับอุรานเนี้ย <S an> เขียนเองก็ไม่ได้ <S an> สักอาย่าหนึงเขียนได้ไหมไม่ได้อลละหุอัคบัตนี่เขาเขียนมาให้แล้วอลละโงมาแล้วเพียงแต آ آ ่อ่านให้เข้าใจนะพี่น้องย่าแลมูมาไบนาไอดีอิมพวกเขามาลาอิกะรู้ดีว่า มาลายการเนี่ยนะเข้าใจอิสลามนะมากกว่าพวกเรานะ <c oughs> นี่อัลลอฮ์เล่านะมาลายการเนี่ยรู้ดีมนุษย์เนี่ยยังไม่รู้เลยนะว่าอัลลอฮ์นะ่ะเป็นยังไงบ้างนะแต่มาลายการเนะ่ยรู้แล้วอัลลอฮ์สอนเนี่ยเราเนี่ยอัลลอฮ์ก็สอนแต่สอนผ่านนาบีทีนี้พอจะรู้เรื่องนบีก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคณะใหม่เห็นอย่างครับแต่มาลายการเนี่ยเขาไม่มี เขาเรียนเรื่องที่อัลลอฮ์บอกให้รู้นะรู้หมดเลยรู้ว่าอย่างไงครับรู้ว่าพระองค์นั้นยะละมูพระองค์ทรงรู้ทรงรอบรู้มาใบนาไอดีหิมที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขาคำว่าอยู่เบื้องหน้าอธิบายยังไงยะละมูมาใบนาไอดีหิมที่เราท่องกันอยู่นะอะไรนะกะสุระนะอายักกุซีไงนี่ไง ยาละโมมาไบานาะไอดีมแปลว่าอลัลลอฮ์ทรงรู้อยู่ที่เบื้องหน้าครับว่าเบื้องหน้าอธิบายว่าเหตุการณ์ที่เดีเกิดมาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดมาแล้วอลัลลอฮ์รู้หมดตั้งแต่วันที่อลัลลอฮ์สร้างโลกมานะวันนี้มันกี่พันปีแ ล, ล้วอัลลอฮ์ไม่ลืมเลยนะเหตุการณ์น่าจําหมดเลยนะเรานะี่มายุคที่ทารายก็ไม่รู้เนี่ยใช่ไหมยุคอาดัมยุคแรกใช่ไหมนะ เรื่อยมาถึงวันนี้นะ่ยเราเนี่ยยุคที่เท่าไหลไม่รู้ใช่ไหมเหตุการณ์แต่ละคนแต่ละคนอลัลลอฮ์จาหมดเลยรู้หมดเลยนี่มล า, ายกาเล่าให้ฟังฉั น, นรู้ว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยจำเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดในอดีตอา้าแล้วเป็นไงนพี่น้องแล้วต่อมาที่ว่ามาคอลฟาฮุมและที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาคือเรื่องของมล า, ายกาเนี่ย มาริค่าทำอะไรไห้ที่ไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์รู้หมดเลยที่ผ่านมาแล้วว่ามาคอลฟะฮุมและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เหมือนกันอัลลอฮ์รู้แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงวันเตียมามาริคารู้ครับยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอัลลอห์สุบฮานะหูบัตอาละในเมื่อมาริคารู้แลวเราไม่รู้เนี่ยเราขังมาริคาใครดีกว่ากัน เห็นไหมไปนองจะ น, นั่นเราเนี่ยแต่เราเรียนเรียนด้วยเข้าใจด้วยเอาเราดีกว่ามาลายิกาอยู่แล้วในแง่ของอิบาดาเนี่เราดีกว่ามาลายิกาอยู่แล้วเพราะเราทําความดีด้วยความอดทนด้วยการเหยียบอารมณ์ น, นะครับต่อมาครับวละลาญัชฟอาอูนอิลลาลิมานิรตบอและบรรดามาลายิกานี่นะจะไม่ขอไทยแทนผู้ใด นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงทรงพอใจอัลลอฮฺอัลบัสนั่นบริกานะ่นพี่น้องครับทาหน้าที่เหนื่อยกว่าเรานะดูแลเราในวันกียากนะ่ะไปขอชะมะจากอ AH ัลลอฮฺเนี่ยบริกางานงานหนักไหมหนักพวกเรานี่งานอ AH ัลลอฮฺลรกขึ้นมาทายุทธหนักไหมหนักเพราะมันมันอะไรนะ่ะมันอดนอนแค่อดนอนอย่างเดียวเราก็แย่แล้ว แล้วก็บวดอีกนะ ว, วันจันทร์กันพุธวันพฤหัสแย่แต่สุขภาพดีเห็นไหมอะไรก็ตามที่มันลำบากลำบากเนื้อเบื้องหลังก็มันอลอนรอหัวใจมีแต่ของดีทั้งนั้นเลยคนมีภรยาเกินหนึ่งเนี่ยดีหมดแต่เหนื่อยถามใครว่าไม่เหนื่อยเหนื่อยนี่ไม่เหนื่อยมีภรยาสามคนทำมาแวมาแวกอกหูอร่อยจริงๆดีจริงๆแต่เหนื่อยต้องดูแลอ่ะ อะไรที่มันได้มาเนี่ยนะอยาลืมนะมีทั้งรางวัลแล้วก็มีทั้งมูซีบาควบคู่กันบนโลกดุญยาใบนี้นะเอาต่อมาครับและพวกเขาไม่ได้ขอคือมล า, ายกาเนี่ยทาหน้าที่ไปขอชฟะฟาจากอัลลอ์นะนะมาช่วยนะมาช่วยมนุษย์เนี่ยนะนอกจากคนที่อัลลอ์พอใจเท่านั้นวะฮุมมินขชัชยาตีฮิมุสฟิกูน และเนื่องจากความกลัวต่อพระองค์พวกเขามาเลยกัสมุชฟิกูลแปลว่าตัวสันมเขาตัวสันนะตัวสันอัลลอฮฺวากบัดกุรอฮฺพี่น้องครับคนที่ตัวสันเพราะกลัวอัลลอฮฺเนี่ยมนุษย์มีไหมมีครับนบีมูฮัมมัดนี่ตัวสันซอบ้านนบีก็ตัวสันพี่น้องพอจะเข้าหาอัลลอฮฺเนี่ยกลัวนะ ฉะนั้นเราต้องกลัวอัลลอฮ์จริงๆพี่น้องเพราะมะลายิกาอัลลอฮ์เล่าเองนะมะลายิกานั้นกลัวอัลลอฮ์มากครับวะฮุมมินคอชยาติฮีเนื่องจากความกลัวต่อพระองค์พวกเขามะลายิกามุชฟิกูตัวสัน Allah อัลลอฮฺอัลกบัต์ไอตัวสันนะ่ะต้องทํางานด้วยนะไม่ใช่สันอย่างเดียวสันแล้วกรักษาหน้าที่มั่นต่อคําสัญญาของ Allah, อัลลอฮ์ سبحانه และก็ุลลาทำไปด้วยความกลัวนะครับพี่น้อง อโลไปน้องถ้าเรานมากลัวไปไงถ้าหนมากลัวว่าอัเลาจะไม่รับเนี่ยขุ้นช่วยไหมขุ้ช่วยแล้วก็กลัวว่าอโลจะลงโทษเนี่ยขุ้ชัวยไหมคุ้ช่วยฉะนั้นมีความกลัวในใจเยอะๆนะ่าได้สองอย่างได้ความแล้วนะกลัวด้วยหวังด้วยมีสองอย่างนะกลัวการลงโทษหวังรางวัลตอบแทนจะรอดแค่สองอย่างนี้ทําให้เกิดคุ้ช่วย หนึ่งกลัวสองมีความหวังกลัวการลงโทษทำรายผิดสุนยนาเบีเอาเช่นเราเรียนมาว่าก่อนจะลุกขึ้นก่อนจะลุกขึ้นลุกขึ้นทำรอกอักัาที่สามเนี่ยใช่ไหมเอามือทำยังไงเอามือวางยังไงมีสองท่านะเขาบอกให้เอามือวางเหมือนกับท่านวดแป้งสังเกตนะ เอามือเท้าที่พื้นเนี่ยเหมือนกับถ้าจะเหมือนท่านวดนวดแป้งเนี่ยไอ้ท้านะท้ายังไงเท้าแบบนี้หรือว่าเท้าแบบนี้ก็นวดแป้งมีทั้งสองท่าใช่ไหมท่านี้ก็มีใช่ไหมท่านี้ก็มีใช่ไหมนึกฉันจะพยายามทําตามนบีให้มันเยอะกลัวกลัวว่าอัลลอฮฺจะไม่รับนำมาถ้าทําไม่เหมือนนบีนี่กลัวพอกลัวภาพเนี่ยใจเบ็นไงครับใจมันขู่ชัวอยากจะทําตามนบี นี่ไงกลัวดีไหมดีทีนี้พอเราําตามนาบีเราหวังอ่ะโอ้เออตอ บ, บแทนรางวัลให้ฉันด้วยที่ฉันพยายามเนี่ยเรียนศึกษาสุนัขนบีแล้วก็ทำตามนาบีหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุภารณหัวตาลาเหมือนกันตักเบ็ดในนมาที่ยกมือนอ่ะมีอยู่กี่ที่พี่น้องมีอยู่หนึ่งก่อนจะรู้กูว่าหนึ่ง เงื้อจากรู้กลัวสองทำเราก็อัดที่สามให้ยกมือไม่ยกสามที่ที่ยกมือพร้อมกับเก่เอาอัลลอฮฺอักบาดมียกกี่ที่นะสามที่บางคนน่ะไม่ยกเลยอ่ะมีเปลเพราะประเพณีปฏิบัติพราะมัสฮับมากำกับเอาไว้มัสฮับมากำกับเอาไว้อะไรนะมาถามพานาฟีต้องไม่ยกมือทีนี้ เรามี ม, มีไม่อยากจะแนะนําแนะนําว่าพยายามนึกถึงสุนนะนาบีเพราะอิบุกอิมามพูดอย่างนี้อิดะสฮัลฮัดิสฟาฮูอะมาดฮับีทุกอุลามานะอุลามาทั้งสี่คนดังๆนะ่ะจริองอุลามามีไปร้อยเอาอุลามาดังบอกว่าถ้าหากท่านไปพบหัดีิสของท่านนาบีที่สเฮให้ยึดสเฮฮัดดิสนบีแลว้วก็ทินของฉันนั่นคนที่เรียนมาบอกว่า ไม่ต้องยกมือเลยก่อนตักบิเอก่อนรุกัวหลังจากรุกัว ท, กทํารอบอัฐิสามสุนนานนาบีให้ทํานะนะให้ทำสามที่ยกมือต้องยกมือนะแต่ไอคนที่ถูกสอนมาเนี่ยบอกไม่ต้องยกเนี่ยต้องต้องเข้าใจหะดีตะบีด้วยเพราะมัทธาบีสอนเลยนะใครที่ไปพบหะดีสว่ามาจากท่านนาบีให้ยึดของนาบีแลว้วก็ทิ้งของฉันอย่าไปยึดติดอะไรมัน อุ๊บบบใรออะไรนะอะไรนะตาสุบตาสุบตาสุบอาพี่น้องเอาต่อมาครับายะที่ยี่เก้าเรื่องเรื่องมรัยกาหมดนะวะาม่กุลมินฮุมอินนีอละฮุมมินดูนีฟาซาลิกะนจิฮน คดังน ج ้นคดังนั้นคดังนั้นคดังนั้นค ه ُงนั้นคดังนั ن นคดังนั้ ن คดังนั้ ن ค กดั้ลิกะนจิซซัลลิมีนอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺกลัวอัลลอฮเนี่ยอ่านนยะนี้อ่นนี่พูดถึงมาลายกา์นะว่ามายะกุลมินหุมในหมู่มาลายกา์นะถ้าผู้ใดก็ดีในหมู่พวกเขาเนี่ยลรเล่าเองนะในหมู่มาดามมาลายกาทั้งหมดมาลายกาคนใดที่กล่าวอ้างว่า อินนีอีลาหุนแท้จริงฉันนี่เป็นพระเจ้าธรามะมริกาองค์ใดมาริกาคนใดมาริกาตัวใดหรือองค์ใดที่พูดว่าฉันเป็นพระเจ้าเนี่ยมินดูนิฮีอื่นจากอัลลอฮ์ถามว่ามาริกามีใครพูดไหมว่าฉันนี่เป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์มีไหมมาราิกาไม่มีครับ แล้วเรามีไหมมนุษย์มีไหมมีครับอา้าวใครจำได้ไหมฟาโรเห็นอย่างครับฟาโรมีอยู่ท่านหนึ่งพูดว่าไงนะอาณาฉันนี่เป็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช่เป็นพระเจ้าอินนีอิลาฉันเป็นพระเจ้ า, า, จาใครใหญ่กว่าฉันไม่มีแล้วมนุษย์นี้ไหมมีพูดครับแต่ที้อัลลอฮ์เล่าเรื่องมาเลากาทำมาเลากาองค์ใดพูดว่าฉันนี่เป็นพระเจ้า ไม่มีใครสู้ฉันได้ฉันเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์ดูครับตอบฟาดลิกาคนนั้นแหละมาเลิกาองค์นั้นแหละเราจะตอบแทนเขาด้วยอะไรครับจะหันนำอะไรสวรรค์หรือนรกนรกเห็นไหมนี่มาเลิกานะเราเล่าเรื่องมาเลิกาให้ฟังนะฉะนั้นไม่มีมาเลิกาองค์ใด แล้วก็จำนวนมาลัยการนี่นับไม่ถ้วนประชากรโลกมีแค่เจดพันล้านเองตอนนี้แต่อีสา0ปีฝรั่งเศสจะเป็นประเทศอิสลามนี่อัลล์นี่นักนักอะไรนะนักนักอะไรนั ก, นกคำนวณเนี่ยเขามองมองดูส จ, จิตินี่นะประเทศฝรั่งเศสประเทศไหนก็ตามที่แอนตี้อิสลามสูงสงคนในประเทศนั้นจะรับอิสลามมีคนอธิบายอย่างนี้ ที่รับอิสลามพระอะไรรู้ไหมเพราะประเทศฝรั่งเศสในเะวลาไปเอาเป็นเมืองขึ้นเนี่ยเอาประเทศมุสลิมเสียเป็นส่วนใหญ่เอาประเทศมุสลิมเป็นเมืองขึ้นเมืองขึ้นเมืองขึ้นเมืองขึ้นแล้วก็เอาคนไปอยู่ประเทศเขาเอามุสลิมเก่งๆเนี่ยไปอยู่ประเทศเขาก็ผลจากการที่เล่นมุสลิมไม่ก่อนนะั่นแหละวันนี้ประเทศนี้ก็ต้องเป็นมุสลิมเหมือนกันต้องการจะเอาทรัพย์สมบัติของประชาชน ทรัพย์สมบัติของประเทศนั้นมาเอาไปเป็นของตนเองแต่เอาออกอย่างเดียวไม่ได้ทิ้งอิสลามไม่ได้เขาไม่รู้นึกว่ามุสลิมมา เ, เ, เล่นกันง่ายๆอ่ะมุสลิมมาเลี้ยงกันให้ดีก็แล้วกันเน่ยต้องไปทําอะไรเลยอ่ะฉะนั้นใครที่เอาทรัพย์สมบัติของมุสลิมไปไปใช้วันนี้นะทางอเมริกาทางฝรั่งเศสทางอังกฤษนี่แหละดีนะใครที่เล่นงานประเทศมุสลิมมาไว้วันหนึ่งประเทศนั้นล่ะจะเป็นประเทศมุสลิมก่อนเพื่อนเลย ค่อยๆดูต่อไปเราคงตายก่อนแล้วมื่อสามสิบท่านยังอยู่ยังนมอยู่ผมจะตายก่อนท่านตายก่อนนะอีก30สิปีประเทศฝรั่งเศสเป็นมีประชากรมุสลิมเยอะที่สุดอา่อาก็นี่ไงกทมเนี่ยผมว่าจะปัตตานีนะนี่ทําให้มีการต้อนกันมานะไม่มีทีวีในกทมอ่ะแล้วมีมัสยิดหลอย่างสามสามร้อยอย่างสามพันสามอรอยอาฮามดุลิลาเห้ยไหมย ว่าไอ้ถูกต้อนมานี่แหละเบื้องหลังของการถูกต้อนคือมีอิสลามในกทมแล้วฝรั่งเศสต้อนมุสลิมไปอยู่วันหนึ่งก็มีมุสลิมที่นั่นเต็มไปหมดเลยทำดูละเราไปหาเมียที่ดูนะฝรั่งเศสกันนะอินชาอัลลอฮ์ทำเลยละเพราะว่าเมียสาวตื่นในไว้ ว่าม่ยกุลมินหุมอินนิอิละหุมมินดูนิอัลลอฮบอกว่านะถ้ามีมลายกะอง์ใดพูดว่าฉันนี่เป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮฝากด่าลีกานาจีฮิจ่านนดังนั้นแก่คนคนนั้นเนี่ยเราจะตอบแทนการลงโทษ ด, ด้วยนะรกให้กับคนคนนั้นแล้ว้ามนุษย์ผู้พูดแหละเราเล่นงานไหม คนที่พูดแล้วมีไม่มีครับมิสเตอร์ฟาโรอ่ะฟาโริอเล่นพูดมาแล้วแล้ววันนี้ยังมีคนอีกหลายคนพูดแบบนี้ชันนี่นะใหญ่ที่สุดแล้วลรออังบาดกาบชั้นนี้จะไหมกาซาลกนจซิลอิมนองเดียวกันเราตอบแทนผู้อธรรมแบบนี้เหมือนกันฉะนั้นทางมนุษย์และทางมนุษย ทางมาลายกาเนี่ยถ้าทาผิดมาลายนะเราก็จะเล่นงานและตอบแทนนะครับอัลลอฮฺอลลอฮฺอักบะฮีอัอาญาติสามสิบนะครับพี่น้องอวลลอฮยารุลละีนะกาฟารุอันนศสัมวาทิวลอัลกานตาระตกาฟะฟตักนะฮฺมา وجعلنا من الماء كل كل شيء حي أ فلا يؤمنون الله أكبر أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتق فَفَطَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّشَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَايُؤْمِنُونَ ا ل ل ه ب ر นี่ไงอลาดเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ให้ฟังวิทยาศาสตร์วิทยาศ า, าสตร์นะเพิ่งไปค้นพบตอนหลังหลังจากโลกสร้างมาแล้วไม่รู้ว่ากี่พันปีกี่ล้านปี มนุษย์เพิ่งไปนค้นพบแล้วก็คนนั้นนะ่ะดังไปแล้วคนที่ค้นพบเนี่ยโลกใบนี้นะอา้าวดูต่อไปบันดาผู้ปฏิเสธอวารมยรลลดีนะครับว่ารู้บันดาผู้ปฏิเสธไม่ได้พิจารณาดอกหรือไม่เคยใช้ปัญญาอา้าวใครที่ใช้ปัญญาศึกษาเรื่องโลกนี้รับอิสลางกันหมดแล้ว อ้าวใครบ้างครับเรื่องอะไรครับเรื่องชั้นฟ้าและแผ่นดินชั้นฟ้าทาั้งหลายและแผ่นดินสังเกตนะสมาวาตเป็นภุพจน์เอิร์เป็นเอกภพใช่ไหมอลัลลอ์เนี่ยอ้าเพราะชั้นฟ้าอลัลลอ์มีตั้งเจ็ดห่วงจดเจ็ดเจ็ดเจ็เวเหาคนะือน้องอัลลอ์บอกว่าบรรดาผู้ปฏิเสธเอ๋ยทำไมไม่พิจารณาบ้างหรือแท้จริงชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน โลกนี่นะเมื่อก่อนนี้นะ่ะ ร, รัฐกอมันรวมติดกันมันรวมกันอยู่นักวิทยาศาสตร์เพิ่มมาค้นพบว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นดุคอมันเป็นสโมกกุ่านไไ์พูดมาแลดุคอนเนื่องจากแอนตี้กุนาร์ไม่อ่านกุนานไม่ใช้ปัญญาไม่เคยเปิดกุนานล์ลุ้นโลกอักบั พอมาศึกษาปั๊บเอาไปวิจัยวิจัยวิจัยวิจัยวิจัยพอวิจัยจบจบแล้วก็ภูมิจะฉันเขียนโลกฉันเขียนตำราวไว้เล่มหนึ่งโลก ก, นนกกับแผ่นดินนี้ชั้นฟ้ากับแผ่นดินเมื่อก่อนมาอยู่รวมกันได้รับอะไรนะพรายไปแล้วรางวาัลไปแล้วพอมาเจอกุณอ่านอ้าวคุณอ่านอธิบายไปแล้วนะว่าชั้นฟ้า ก, กับแผ่นดินเมื่อก่อนมาอยู่รวมกันเอาล็อพี่น้องหลับเป็นไงครับ ฟา ฟ, า, ฟาตั ก, กนานฮะูมาและเราได้แยกมันทั้งสองออกอัลลอฮฺเห็นยังครับฟา ฟ, า, ฟาตักนาะฮูมาเราได้แยกเอาชานฟาแยกไปสร้างอะไรก่อนตะกุลอานนะสร้างสร้างชานฟาก่อนแล้วก็แผ่นดินทีหลังอัลลอฮฺบางวันนี่ความอัลลอฮฺเล่าถึงความสามารถของอัลลอฮฺเนี่ย ability ของอัลลอฮฺเนี่ยอัลลอฮฺความยิ่งใหญ่อัลลอฮฺอัลลอเก่งขนาดไหนอ่ะใช่ไหม ดุนเนี่ยโลกใบนี้กับดวงกับอะไรนะจะชั้นฟ้ามา่ก่อนอยู่รวมกันฟ้าฟาตักนาหูมาเราได้แยกออกจากกันแยกข้างบนให้ชั้นฟ้าให้มีดวงดาวดวงทิศดวงจันทร์สร้างก่อนเสร็จแล้วก็สร้างโลกใบนี้ทีหลังแล้วก็มีมนุษย์ทีหลังสรุปแล้วอัลลอฮ์สร้างโลกใบนี้นะแล้วก็สร้างอาหารสําหรับมนุษย์นา4วันสร้างมนุษย์นาวันเดียวไอ้4วันกำลังยังไปกลัวจนอีกเหรออัลลอฮ์ฉันนัทสร้างไปแล้วนา4วัน อาไว้จองมาสาหรับมนุษย์พราะอันนี้หมดอ้นี้มาแทนอันนี้หมดอันนี้มาแทนอันนี้หมดอ้นี้มาแท น, น, มแ น, นมผมเคยเล่าให้ฟังว่าถ้ากลัวว่าไฟฟ้าจะไม่มีใช้น้ํามันจะหมดมีโซลาเซลล์มาแทนแล้วเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเนี่ยคนผลิตโซลาเซลล์นั่งอยู่นี่สโซลาร์เซลล์นี่ราคาแสนบาทเองติดบนหลังคาโซลาร์า เ, ราเนี่ยใช้ได้ยี่สิบหปีมนันเอาใยจตังเลยแจ่แค่แสนบาท แล้วก็บ้านกับมันหมื่นบาทเนี่ยนั่งอยู่เนี่ติดตอ่อได้เลยนะไม่เอาตั้งค์นะมึงมึนก็ไม่คิคา่าโฆษณานะ <laughs> <laughs> <laughs> เห็นไหมถ่านน้ำมันหมดอัลลอฮฺนำมาแทนนะเอาโซดาเซนมาแทนมาก่อนโซลาเซนมีมาตั้งกี่พันปีแล้วคิดไม่ออกอ่ะวันนี้คิดออกใครว่าอัลลอฮฺสอนเนี่ยกลัวอะไรพี่น้องดุลยาไมเนี่ยมีลูกเยอะๆมีไปเถอดพี่น้องเรียนศาสนาเยอะๆจะเข้าใจศาสนามั่งก็อัลลอฮฺอัลบะดดุลย์ยาก็เรียนไป สัตนาจะลืมนะตรงเรียนสัตนาควบคู่กันนะว่าจะเอลนามินัลมาอิคุลชัยอินไฮอัลลอฮ์นี่ยอัลลอฮ์เล่านะและเราได้สร้างทุกๆสิ่งให้มีชีวิตจากน้ำอ้าวกระจายยังไงพี่น้องอัลลอฮฺเราได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะน้ำนะ อ่าคุณจะเลมท่านอเลมด้านนี้ไปวิจัยไปวิเคราะห์นะนี่อลัลลอฮ์เล่าแล้วนะอ้ำคนนี่มีน้ําเท่าไรอยู่ในร่างเนี่ยอลัลลอฮฺอัลบถาถามว่าน้ํามากที่สุดใช่ไหมไม่ใช่อสามในสี่ 3, 4, โลกดุนยาไปนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมสามในสี่เหมือนกันสามในสี่สามในสี่หมดเลยในะพี่น้องเพราะมีน้ําเยอะอมีหะดิษอธิบายอย่างนี้ มีอยู่วันหนึ่งมีซอบานนบีเนี่ยออกมาออกมามาเห็นหน้านาบีเนี่ยเขาบอกว่าตอบัตนัฟซีวากูรชไนนีเวลาฉันเห็นหน้านาบีมื่อมันอบอุ่นใจมันชื่นใจ <c oughs> จงบอกฉันสิทําไมจึงเป็นเป็นอย่างนี้นบีก็บอกว่าโอ้ที่เห็นฉันพวกคุณชื่นใจเนะะี่ย คือมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างมาจากน้ําทั้งหมดอัลลอฮฺนบะีพูดเช่หนึ่งเลยนะฉะนั้นคนเนี่ยที่จะเห็นน้นะําน่ยชื่นใจไหมล่ะไปไปเจอทะเลเนี่ยชื่นใจไหมไปเจอน้ำมาชื่นใจมากเลยฉะนั้นเจอคนก็นเหมือนกันมันชื่นใจยิ่งคนมีาศาสนาด้วยเนี่ยชื่นไหมอัลลอฮฺเจอภรรยามีาศาสนาแล้วก็ทาเล็บสติกเบาๆอยู่ในห้องนะแล้วใส่เครื่องหอมนะเปิดน้อยๆ น, นะชื่นใจไหม ชื่นใจอ네ัลลอฮฺว่าพอมาจากน้ําคนที่เมียตายก็รียบแต้มเลยนะจะได้ชื่นใจแล้วก็นบีว่าไงรู้ไหมเห็นคนนี่นะอัลลอฮฺเพราะคนมาจากน้ํำพอเห็นน้ำมันเหมือนก็ชื่นใจยิ่งเป็นคนดีมีศาสนาด้วยมันยิ่งดับเบิลอัลลอฮฺว่าอ้าวนบีเลยสั่งว่าก็แหละสบายประโยชนนบีสอนฉันหน่อยสิ ของที่ชื่นใจชื่นใจมันมีอะไรบ้างนอกจากเห็นคนแล้วชื่นใจมีอะไรนัมีสอนอีกห้าข้อข้อที่หนึ่งอัฟชิษ ส, สลามไอ้คนนั้นมันดีอยู่แล้วใช่ไหมทำอีกห้าข้อนี้นะจะเป็นชาวสวรรด์เลยหนึ่งอัฟชิษ ส, สลามให้ให้สลามคนโอบางคนนี่นะมันขี้เหนียวอ่ะสลามนมั่นก็ขี้เหนียวไอ้เงินไม่ว่ายังสลามขี้เหนียวอีก แล้วก็ไม่ยืมอีกอะขีนนียวทั้งสองรายการทั้งลงทุนเท่าไรอ่ะสลามอเล็กกูมมันให้สลามไม่ไ้วันขี้เหนียวยืมอีกยังขี้เหนียวอีกขีเขี่ยเงินในกระเป๋าไม่พอยังขี้เหนียวขี้เหนียวยิ้มอีกยืมเนี่ยลงทุนเท่าไรก้ามเนื้อสองก้ามเนื้อไอ้ท่าโกรธท่าอะไรนะถ้าบึ้งเนี่ยสามสิบสามอ่ะร่างกายเนี่ยต้องเก่งสามสิบสามอ่ะแล้วไปยืมไปไปขี้เหนียวทําไมยืมไปเถอะพี่น้อง อับสุดสลามให้ให้สลามข้อที่สองให้ให้อาหาร อ, าอัลลอฮ์มิจะให้หมดเลยนะแล้วก็ข้อที่สามให้ติดต่อกับเครือญาติของเราไปเยี่ยมเพื่อนที่อุตรดิตถนีแต่ญาติริมบ้านเนี่ยไม่ทำสลามกเลยสักครัำเปลี่ยนไมเปลี่ยนไมคิดใหม่เพื่อนอุตรัิตถนีก็ไปไม่มีปัญหาวะเต๊จูริมริมบ้านเนี่ยเม่อเราไปเยี่ยมก็เรอหมันไส้อลัลลอฮ์อะไรกันทักถามพี่ต๋อ ติดต่อกับญาติพี่น้องเรานะอลัลลอฮจะให้บรกิการรอข้อที่ข้อที่ข้อที่4ีให้ลุกขึ้นนะมาตอนกลางคืนบ้าง อ, าอัลลเ่อเดือนทั้งเดือนมานมาตาหยุดเลยใครเตือนใครบอกเตื่นบ้างด้วยนะนะนมาตาหยุดสักสองรอกกอัตใวิตเตสอีกสามก็ยังดีนะข้อที่ห้าคันเอาข้อมันยุดสี่ข้อ ขณะที่คนกำลังนอนหลับหมดเราขึ้นมาทําอิบาดตัดคนเดียวถ้ารักเมียก็ปลูกเมียนบีสอนนะถ้าปลูกไม่ขึ้นจะทำไงเอาน้าพรมทํายังยังไม่ได้ทำเลยเมียจะปลูกแล้วเราถี้เมียต่ออีกพี่น้องอาละจะจบคงไม่จบสามสิสองมายานะครับก็ จ, จบแค่สามสิบนะครับเอาละครับแล้วก็ซุ้มมัดแล้วพวกท่านจะเข้าสวรรค์โดยสันติ พี่น้องสรุปนะเห็นหน้าคนนี่มันเลยมันใจมันสบายอยู่แล้วเพราะคนมาจากมาจากน้ําถ้าจะให้คนนี่มีเป็นชาวสวรรค์จริงๆให้ทํา4ข้อ 1, หนึ่งทำไมนะเห็นหน้าคนให้ยิ้มแล้วก็สลามแล้วก็เลี้ยงอาหารแล้วก็ติดต่อกับญาติพี่น้องแล้วลุกขึ้นนมาถ้าโยนแต่เวลากลางคืนขณะที่คนนอนคุณจะเข้าสวรรค์โดยสันติสุขานะกะหลุมมะวะบิฮัมดิกะชุลัยละอิลัอันตะอัสตักฟุรุกะวะตูบุลไล